อาจจะพบว่าตัวเองก็มีนิสัยไม่ดีหลายอย่างแต่ก่อนก็นึกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเสียสละเอื้อเฟื้อนะแต่ว่าพอมาเดินจงกรมมาสร้างสติความคิดต่างๆอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็ผุดโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นว่าโอ้เรานี่ก็ร้ายนะเห็นแก่ตัวคี้อิจฉาหวาดระแวง หรือว่าอ่อนแอภาพลักษณ์ที่เราคิดว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่ในความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าในความไม่ดีก็มีอยู่มากมายแต่ก็ให้รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่คิดขึ้นมาในใจอารมณ์ต่างๆไม่ต้องเสียใจนะเวลามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้น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 ดูแลรักษาให้ดีไม่รู้จักหันมามองใจนี้นะันมันก็กลายเป็นไอ้บ้านหนักขึ้นจนพาชีวิตเราเข้าโรคเข้าพงอันนี้เมื่อมองตนนะได้ได้ถูกต้องมากขึ้นนะือพอการมองด้วยสตินะก็จะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงนี่นะมันไม่ใช่ของเราเลย มันเกิดขึ้นที่ใจของเราก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นของเรานะควบคุมอะไรไม่ได้ใจนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นลงคิดว่าเป็นของเรานะแต่ว่าทำไมสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้อยากให้ใจสงบมันก็ไม่สงบนะอยากให้ใจหยุดคิดมันก็ไม่ยอมหยุดคิดอยากให้ใจหายโกรธมันก็ไม่ยอมหายโกรธเราไม่รู้ เลยว่าเดี๋ยวว่าแต่อีกหนึ่งวันข้างหน้านะแท้กระทั่งอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวใจมันจะคิดอะไรตั้งใจจะให้ใจไม่คิดอะไรสักห้านาทีบอกว่าผ่านไปแค่นาทีเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันลอยไปไหนไม่รู้เห็นได้ชัดหรือว่าใ้ใจก็ดีความ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 เราก็จะเห็นกายและใจชัดขึ้นเราก็จะเห็นต่อไปว่าไอ้กายและใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่เราด้วยมันไม่ใช่เราเวลาปฏิบัติแล้วเราเจริญสติมองตนด้วยสติก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่มันก็มีแต่กายกับใจเท่านั้นแหละเห็นกระทั่งว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่มี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 นั่งก็เป็นรูปที่นั่งคิดนะมันเป็นใจที่คิดโกรธก็เป็นใจที่โกรธหรือเห็นต่อไปว่าออกความโกรธมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่ใช่เราโกรธเมื่อมองตนเข้าไปเรื่อยๆก็จะพบว่ามันไม่มีต น, น, นมันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูปกับนามแค่นั้นเอง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 ฉันมีความสามารถไม่เหมือนใครนะสติฉันเป็นเลิศกว่าคนอื่นเนี่ ย, ยอันนี้แสดงว่าตัวตนมันใหญ่จริงๆปฏิบัติล้ตัวตนมันต้องเล็กลงหรือว่าผู้ให้ถูกต้องคือว่าเห็นเลยว่ามันไม่มีตนไอ้ตนหรือว่าฉันนี่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะอวิชชา มองตนคือมองเห็นความจริงจนเพราะว่ามันไม่มีตนมันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูป ก, กับนามหลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คําว่าทะลุงนะทะลุงให้อะไรที่เห็นดล็นรวมๆเป็ น, เ ป, นเป็นตัวกูนะเป็นตัวฉันนี่พอทะลุงไปเหมือนกับเราทะลุงแร่นะั้มันก็แยกออกมาเป็นส่วนๆที่เราแยกเป็นขันแยกง่ายๆคือเป็นรูป ก, กับนาม ถ้าแยกไปให้ละเอียดก็นั่นก็คือเป็นขันธ์ทามันมีแต่ขันธ์ทามันไม่มีเราไม่มีตัวกูถ้ามองตนนี่ถ้าถูกต้องมันต้องมองเห็นจนกระทึงขนาดนี้คือมองไม่เห็นตนแล้วเพราะว่ามันไม่มีตนตั้งแต่แรกลมาจะเห็นได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าไม่มีตนถ้ามองเห็นความจริงก็จะพบมันไม่มีตนมันมีแต่รูปกับนามกายกระใจ การเห็นเช่นนี้นี่เราคงจะไม่ได้เห็นอยู่ตลอดนะแต่ว่าก็จะเห็นเป็นประพิมประพายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงความจริงก็มีเท่านี้แหละคือรูปกับนามกายกระใจหรือว่าขันท่าความการเห็นเช่นนี้นี่มันช่วยปลดความทุกข์ออกไปจากใจมากนะเพราะว่าความทุกข์คนเราเกิดจากความยึด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 แต่ก่อนนี่พอมีอะไรมากระทบกายก็จะรู้สึกว่าโอ้ยฉันเจ็บมันมีตัวฉันเป็นผู้เจ็บเป็นผู้รับเป็นเจ้าของความเจ็บความปวดนั้นแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นแค่ ก, กายพอรู้สว่าฉันเจ็บแล้วนี่เป็นไงใจมันก็เจ็บไปด้วยแต่พอเราเห็นความจริงพอมองมองตนอยู่เสมอจนเห็นว่ามันไม่จะรูปกับนามเป็นความจริงเช่นนี้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 มีควหนึ่งก็โยมนีิหมให้ท่านมาฉันอาหารบอกว่าท่านก็มากับพระหลายรูปซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระหนุ่มบอกว่าอาหารนั้นมันมีพิษพระนี่ก็อาเจียนกันเป็นแถวนะยิ่งพระหนุ่มได้แล้วนี้อาเจียนจนอาเจียนแล้วอาเจียนจนหมดสภาพนอนกองนอนระเกะระ ก, กะ แต่หลูปบุดาท่านก็89ด0ก้นะท่านก็อาเจียนนะแต่อาเจียนเสร็จท่านก็มานั่งคุยกับโยมต่อคุยเพื่อให้เจ้าภาพเขาคลายความทุกข์นะเพราะว่าไปทำให้อาพระคุณเจ้าเดือดร้อนจากอาหารที่ตัวเองถวายคุยพักสักพักหนึ่งท่านก็อ้วกใหม่ อาเจียนใส่กระโถนแล้วก็มานั่งคุยต่อจนก็แปลกใจเอ๊ะทำไมท่านไม่เหมือนพระรูปอื่นเลยพระรูปอื่นนี่ท่านน้อหนุ่มกว่านี่หมดสภาพไปเลยหลวงปู่ท่านก็อธิบายว่ากายมันก็ประกอบไปด้วยขันนะอาจประกอบไปด้วยธาตุสนะีเวลามันโดนยาเบือ่อยาเมานะมันก็มีอาการอย่างนี้แหละแต่ว่าใจไม่ได้โดนด้วยนะ มันก็เลยไม่มีอาการอย่างนั้นกกระจายจเปนคนละส่วนกันจะมาปักปนกันมีครั้นท่านก็ไปผ่าตัดนิ้วผ่าเสร็จไม่ทันอะไรเลยท่านก็บอกหมอพยาบาลว่าเขาต้องชั่วและนะไม่เป็นไรแล้วหมอพยาบาลก็ประหลาดใจนะเพราะว่าบางคนนะผ่าเบาวกว่ท่านอีกนะแต่ว่าก็ปวดนะ ต้องอยากจะพักฟื้นนานๆแล้วก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อหลว ง, งปู่ไม่ปวดเลยหลวงปู่ท่านก็บอกว่าปวดเสียนะกายของฉันเนี่ยมันก็เหมือนกายคนอื่นแหละมันก็รู้จักปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยนะท่านก็เลยรสึกว่าเออไม่เป็นไรนะจะกลับปัดก็ได้แล้ว น, นี่คือพอเราเห็น ความจริงจากการมองตนว่ามันมีแต่กายกับใจนะเวลาป่วยกายมันก็ป่วยแค่กายมันก็ไม่ลาไปถึงป่วยใจเพราะไม่มีความรู้สึกว่าฉันปวดฉันปวดถ้ามีความรู้สึกตัวฉันอยู่เต็มที่เนี่ยน ะ, ะกระทบอะไรกับกายมีอะไรมากระทบกายมันก็ลามไปถึงใจก็ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจ มันไม่ใช่แค่ปวดอย่างเดียวอย่างอื่นด้วยอย่างอาจารย์อาจารย์คำพลทองบุญนุ่มนะท่านก็พิการมาตั้งแต่ก่อนเป็นจะเพศเอกนะคือยี่ิบสี่เป็นครูสอนพะละสอนลูกศิษย์ว่ายน้ำปรากฏว่าตัวเองเนี่ยหัวไปกระแทกกับพื้นสระก็ทำให้อำมพาตตั้งแต่คอลงมา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 เลิอกอ่านก็ทุกใหม่จนกระทั่งได้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อคํ า, ขาคเขียนเพรได้ปฏิบัติเข้าวโอ้ท่านก็สอนแค่ยกมือนะไม่ใช่ยกมือพลิกมือไปพลิกมือมาเพราะว่าทําอย่างอื่นไม่สะดวกแนละเดินจงกรมก็ไม่ได้พลิกก็ให้รู้ว่าพลิกนะเวลาพลิกก็ล้วเนี่ยให้ทิศพลิกเนี่ยก็คือมือ ให้ทิพพิกเนี่ยคือกายถ้าใจลอยใจฟุ้งก็ให้ร้วนั่นแนหะมันเป็นใจให้เห็นนะว่าไอ้ที่พลิกเนี่ยเป็นรูปไอ้ที่คิดเนี่ยเป็นนามก็พิจารณาไปเจริญสติพิกไปพิกไปจนทั่งถึงจุดหนึ่งก็เห็นแจ่มแจ้งโอ้เห็นแจ่มแจ้งในรูปนามว่าจริงๆแล้วมันก็ ตัวเราก็มีแต่รูป ก, กับน้ําแหละมันไ ม, ม่มีอะไรมากไปกว่า น, นั้นพอเห็นเช่นนี้นี่ท่านบอกว่าจิตนี่ละออกจากความพิการเลยเพราะเห็นว่าแท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่เราพิการเป็นกายต่างห่างที่พิการใจไม่ได้พิการด้วยท่านบอกว่านาทีนั้นเองเนี่ยจิตเราจะความทุกข์ไปเลยทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนกรรมฐาน เป็นครูสอนธรรมะถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะท่านคนนี้ก็ประทับใจเพราะท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานทั้งที่กายนี้เป็นทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะว่าท่าเห็นความจริงแล้วว่ามันไอ้ที่ทุกข์เนี่ยคือทุกข์กายไอ้ที่พิการคือกายพิการแต่ใจไม่พิการด้วยคือถ้าเรามองตนจนไม่เห็นตนเห็นแต่รูป ก, กับนามกายกับใจนี่ ความทุกข์มันบรรเทาเบาบางไปเยอะเลยนะจนทั้งสามารถจะหมดหรือพ้นจากความทุกข์ได้ในความหมายที่ว่าทุกข์กายยังมีอยู่นะกินยาเบื่อยาเมาก็ากายก็ยังทุกข์อยู่นะมีอะไรมากระทบ ก, กายใจอากายก็ปวดอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ด้วยนะกายแก่ก็จริงแต่ใจไม่รู้สึกแก่นะ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 ความสคัญเป้หมายเมื่อในว่าตัวกูตัวฉันมันหมดไปมันก็มีแต่ความเมตตากรุณาเป็นหนึ่งเดียวกับสัพสัตนะแม้กระทั่งธรรมชาติก็รวมด้วยเช่นกันหลวงพ่อเขียนท่านเราว่าเมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติธรรมก็คือความรักธรรมชาตินะ แต่ก่อนท้าไม่รู้สึกขนาดนั้นเวลาตอนเป็นคารวาสไปไหนมีพระก็ใช้พระเนี่ยหวดต้นไม้ที่อยู่สองข้างทางนะเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยแต่พอได้ปฏิบัติทำนะจนพบความจริงนี่ความรู้สึกรักธรรมชาติมีมากนะที่ท่านอนุรักษ์นะวัดป่าสุโกโตนะก็เพราะความรักธรรมชาติที่ออกมาเองเห็นต้นไม้รวมก็อยากจะช่วยเขา ไม่ใช่แค่รักธรรมชาติแต่รักเพื่อนมนุษย์ด้วยตอนที่ท่านขึ้นมาที่วัดป่าสุกโตนะท่านก็อยากจะมาสอนกรรมฐานมาบูเบอือวัดป่าสุกสุกโตกับหลวงพ่อบุญธรรมก็เพื่อตั้งใจจะให้ที่นี่เป็นที่สอนกรรมฐานแต่ว่าญาติยโยมที่ทำไฟเขาเดือดร้อนเขาอาให้ท่านไปเป็นเจ้า ว, วาดเพราะว่าพระที่นั้นก็ไม่มีชาวบ้านก็ลําบาก ทะเลาะบบกแววงกันสมัยก่อนท่าไฟี่เมื่อสี่สิปีที่แล้วเรือดงเลือดเพราะว่าจนผู้ร้ายคนหนีคดีก็ามากันอยู่กันเป็นเป็นชุมชนจนกลายเป็นหมู่บ้านหลวงพ่อท่านก็เมตตาชาวบ้านก็ไปไปรับเป็นเจ้าว่าที่นั่นพอเป็นเจ้าว่าแล้วก็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 สถานีน้ำใหม่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีเลยท่านก็เลยตั้งศูนย์เด็กขึ้นมาท่านก็ไม่รู้ว่าในเรียกว่าศูนย์เด็กนะแต่ท่านอยากจะเอาเด็กนะมามาดูแลที่วัดเพื่อจะได้ไม่ต้องไปลําบากที่ไร่และหลวงพ่อท่านก็เป็นครูสอนเองตนะั้งแต่ปีสองหนึ่งสองสองมาท่านไม่รู้ว่านั้น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 ทำโครงการอื่นๆเพื่อช่วยชาวบ้านเช่นทำสหกรณ์ข้าวเพื่อเอาเอาข้าวราคาถูกมาขายรัตรก่อนข้าวบนหลังเขามันแพงไม่มีรถหรือมีรถก็ขึ้นมายากชาวบ้านต้องขนข้าวขึ้นมาราคาก็เลยเพิ่มขึ้นตามตัวหลวงพ่อทา่านบอกว่ามันออกมาเองนะมันมาเองความคิดความตั้งใจที่จะช่วยชาวบ้านเนี่ยมันมาเอง ไม่ได้มีความคิดแต่ละมากมายอันนี้เพราะอะไรเพราะความเมตตากรุณาเมื่อเมื่อเห็นตนอย่างแจ่มแจ้งก็ความเห็นกก่ตัวก็หมดไปไมีแต่ความเมตตากรุณาไม่มีแบ่งแยกอันนี้ท่านก็ทำมาเป็นเวลานานนะจนกระทั่งตอนหลังท่านก็รู้สึกพอแล้วนะชาวบ้านก็ เ, เงนหน้าอาปากได้แล้ว ท่านก็เลยหันมาในเรื่องกรรมฐานมากขึ้นเพราะต่ำก็มีคนมาหลั่งไหลามาที่สุกโตนะเพื่อมาเรียนกรรมฐานแตก่อนตรงนี้เนี่ยนะตรงบริเวณนีมนน้มันเป็นมันเป็นมันเป็นพุทธเกษตรนะที่ท่านตั้งใจจะเป็นสอนเป็นแปลงสาธิตนะเป็นพื้นที่สาธิตเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักพึ่งตัวเองปลูกแบบผสมผสานไม่ใช่ ปลูกแต่มันเอาไปขายท่ยานใหญ่ชาวบ้านพึ่งตนเองจะได้พ้นจากหนี้สินชักชวนชาวบ้านมาปลูกผักที่นี่สาสี่ปีก่อนที่นี่มันมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นแปลงผักนะแต่ว่าตอนหลังก็ก็เปลี่ยนนะมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งความ ยึมันสำคัญหมายในตัวตนหมดไปไม่มีความเป็นตัวมีแต่ความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้เพราะอะไรเพราะเพราะมองตนนะจนเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตนใดๆที่จะให้หวงแหิยิตมั่นถือมั่นได้มีนักปราชายอยินเดียคนหนึ่งพูดไปดีนะขาพูดสรุปไว้ได้ได้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 ปัญญากรุณาอันนี้เป็นการสุดใจความการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาได้อย่างกระชับมากแล้วก็คือว่าพุทธศาสนานี่ก็เน้นที่การหันมามองตนตนพบว่าไม่มีตนมีแต่ความว่างคือว่างป่าจากตัวตนสิ่งที่ทําให้เห็ น, ต ร, นตรงนี้ได้คือปัญญานะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นกรุณาก็ตามมาก็คือว่า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 พักรุณาคุณพระปัญญาคุณของพระรูปเจ้าเคลือนนี้แหละปัญญาคุณทําให้พระองค์พบ ว, ว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ต, วตัวตนอยู่เลยมีแต่อนาตตาปัญญาก็ทําให้เกิดความเมตตาเพราะไม่มีความเพียงแค่ตัวทรงรักษาประศัตเท่าขันหมดทรงรู้สึกอย่างไรกับพระราหุนก็รู้สึกอย่างเดียวกันกันกบพระเทวทัตะพระราหุนนี่เป็นเป็นลูกนะ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 อย่างที่ว่าคือว่าไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวกูต่อไปพอมองเห็นว่าแท้จริงมันไม่มีตัวฉันนะมันมีแต่รูป ก, กับนามมีแต่ขันห้าเกิด ค, ความสุขเป็นหนึ่งเดียวกับสปปรรพสิ่งเพราะว่าธรรมชาตินอกตัวกับธรรมชาติในตัวก็อันเดียวกันขันห้าที่อยู่ภายนอกขันห้าที่ อ, อยู่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 ถ้ามองตนแล้วเห็นแต่ตนเองตัวใหญ่เบื้อเริ่มนี่นั่นถือว่าไม่ถูกทางแล้วถ้ามองตนจนไม่เห็นตนและมีความกรุณานะอย่างมากมายเพิ่มขึ้นตามลําดับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเป็นความเจริญก้าวหน้าแล้ก็กลับไปก็ลองไปนะเปรียบเทียบพิจารณานะตัวเองดูนะว่าเราได้ เข้าถึงสภาวะเช่นนั้นมากน้อยเพียงใดอ้าวชานี้ก็ยุติได้เพียงเท่านี้กระพาป้องกัน